บุกสอสิบดอดอเมื่อวานวันนี้พรุ่งนี้กลอจอากค่ำวัจอากวมิกาลเมื่อวานเป็นวันเสาร์ ก ত ตা ল শ ลি ব น র ছিল গ ช ক াล শনিবার ছিল เมื่อวานดิฉันไปดูหนังก ত ตা ল আ ลอาিมে ম ี দেখতে ิি য ়เ ছ ি ল া ম গতকাল আমি স ি ন েมা দেখতে าด য ়ে ছ เ ল ียชลาหนังน่าสนใจภาพยนต์น่าสนใจ ফ ิล์มทีบัดชลบิตะอักุลชูนิโ ฟิล์มทีบ้าโฉบีท่าอักขรโชนิวันนี้เป็นวันอาทิตย์วันนี้ดีฉันไม่ทำงานฉันวันนี้ไม่ทำงานดีฉันอยู่บ้าน อามีอาจภาษายัติอามีอาจภาษายัพรุ่งนี้เป็นวันจันทร์อา gamikal พรุ่งนี้ดิฉันไปทงานอีก ดิฉันทำงานที่สำนักงานอามีฟเซอากทีออฟิศเซคาชกุรีออรคนนั้นคือใครโอเคโอเคคนนั้นคือปีเตอร์โอโหลูปีตอร์โอโหลปีตอร์ ปีเตอร์เป็นนักศึกษาปีเตอร์อกชนชั้นตรกูลปีเตอร์กชนชั้ตรกคนนั้นคือใครโอเคโอเคคนนั้นคือมาธาโอโหลมาธาโอโหลมาธา มาธาเป็นเลขานุการมาร์ธาแอ็กนเซคริตมาร์ธากจเริตรีปีเตอร์และมาธาเป็นเพื่อนกันปีเตอร์แมา์ธาฮุลูบ ধ ญ e ุปีเตอร์และมารลบุปีเตอร์เป็นเพื่อนของมาธาปีเตอร์ฮุล มาร์ธาร์บุ ধ ฑูปุมาร์าเป็นเพื่อนของปีเตอร์มาร์ธารปบทกรุณาไปที่ www.booktwo.de